ขอบได้โดยพระองค์เองบูทังพระวันตังอาภิวาเดมิอาภิชาวาภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับ สว่างขาโดวังภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเข้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนามสสามี <c oughs> นามาสการพระธรรมละ สุปฏิปันโนพภะควะโตสาวกสังโฆพระสงฆสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนามมมิอามาเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ก นโมอันตาสะพะข่าวโดวะระหะโดสัมมาสัมปทานโมอันดาสะพะขวโดะระหะโสัมมาสัมบูดาสะนโมอันาสพะวโดะะ โดยสัมมาสัมบทดาซาหอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไรจากกิเลสและสรุปชอบได้โดยพระองค์เอง <c oughs> อนายังพุท ธ, ธาพิทุติงการโรมาเซยโยโซดาทาคาโตะพระดาทาโคชานันพระองค์ไดาอารางเป็นผู้ไรจ า, ากิเลต สัมมาสัมพุธทธวะเป็นผูาา้จรัสรู้อบได้โดยพระองค์เอง <c oughs> <c oughs> จารณนาสัมปันโนวเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิจารละจารณาสุขาโตวเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี โลกาวิถ oh ีเวนผู้รู oh ้โลกกรรมกัมเจงอนุตตรอมบริสัทธามาราธีเว้นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าจาตวเนวมโนศานาง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้โทเป็นผู้รู้ผู้ดื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระขาขวาเป็นผู้มีความจำเจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ โยอิมังโลกังสาเทวกังสัมมระกังสาพระมังสาสามณนพรหมินิงพพชังสาเทวมานุสังสายังอภิญญาสัจกัตตวาปเวเทศีพระภูมีพระภาขยาวองได ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาจิงเองแล้วทรงสอนโลกนี้พอมทั้งเทวรามานพรมและมูสัดพร้ทั้งสมานาพรามพร้อมทั้งเทวราชนุตทังนุตตามโยธรร ข, ข้าวไรองแสดงธรรมแลว้วอาทิกันร้า ย, ยานงางไโรอในเบื้องตน้นมาเชกันร้า ย, ยานงางไปรอในท่ากลางปาริโยสานกนรารร้ายนางไปรอในที่สุด จตดังสัพยัญชนะเกเกวาระปริปุณังปริสุทธะพระมัจจิยังประกาศเสสีองประกาศพระมัจจานือแบบแห่งกรรมปฏิบัติอันประเสริฐบ่อริสุทธ์บริบุญสิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถาคม ตางพยัญชนะธรรมหั ง, งพรวันตังอภิปูชยามีขาพระเจ้าบูชาอ ย, ย่างยิ่งชาพาะพระผู้มีพระภาคเข้าพระองค์นั้นธรรมหังพระพวันตังศีรสะนมามีขาพระเจ้าโนนพระทัามีพระภาคเข้า พระองค์นั้นดูเ่ยงเี่ยงคราว